ก็กเป็นมัได้เปลี่ยนมากๆสบายมากๆเลยใครๆเป็นบ้างไหนที่นี้ครับใครเคยฝึกปรือบ้างอืมแสดงพวกเราไม่ค่อยสนใจศาตสตร์ศิลปะของการรงอยู่นะครศิลปศาสตร์ของการรงชีวิตคนจีนเวลา้เก็ฉลาดมากๆคนคิดเขาหาวิธีที่ทําให้ร่างกายและจิตใจประสานนินรงตกลึ้งและสดชื่นขึ้น คนเล่นแท็กเก็กบ่อยนะี่หน้าตาจะหนุ่มแต่ไม่ในหมายอายุไม่มีนะอายุก็แก่ไปตามเรื่องเนะี่ยการเคลื่อนไหวช้าๆอย่างนี้นมันทำให้เดี๋ยวนี้เขามาโฆษณาอะไรนะผมเห็นทางทีวีกายกับจิตประสานกันยิงย่างไอ้นี่กลายเป็นเรื่องเรื่องหลอกชาวบ้านมากขึ้นมากขึ้น แต่เดิมเป็นศิลปศาสตร์ชั้นสูงครับคนจีนบัญญัติกันว่าบุคคลที่เรียกผู้รู้นั้นรู้อะไรบ้างวาดรูปวาดรูปแบบจีนได้น่ยผู้รู้รู้ยุทธศาสตร์วิทยายุทธ์นะครับที่เราหนั้นจีนเท่าเรียกรู้เรื่องยุทธศาสตร์รู้เรื่องวาดรูปใช้เก๊กนะแล้วการปกครอง จริงะเรียวนักปราศถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนเสีหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะผมจะบอกนะเมื่อรู้จักถ่ายเก๊กเคลื่อนไหวแล้วไอ้การภาวนานง่ายมากๆเลยเพราะมันสัมพันธ์กันอยู่จริงๆไอ้ท่าที่ผมเอามาประยุกต์ใช้เนีอันนี้คือเรื่องถ่ยเก๊กชัดๆเลยแต่ว่ามันลัดผมลัดวงจรขึ้นมาไทยเก๊กมันเคลื่อนทั้งตัว ซึ่งจุดหมายไปสู่เรื่องพลานามัยโดยตรงแต่นี้ผมต้องการเพียงให้รู้สึกตัวเพื่อเราจะทำวิปัสสนาครับถ้าไปไปลัมไทเก๊กทั้งวันทั้งคืนนี่มันไปอีกทางนึงที่ต่างประเทศนะครับอย่างเราจับรายการเช่นนี้นะนี่ถ้าเป็นต่างประเทศหนี่งผมรวยนะนะครับสามวันเก็บคนละสามพันบาทต่อหนึ่งคนเนี่ยหลายหมื่นเยนี่ผมรวยเนี่ย พูดธรรมะนี่เขาเขาจัดรายการนะครับทุกคนต้องไปลงทะเบียนแลวจ่ายเงินพวกเราขนาดให้มันฟังฟรีมยังไม่เอานะก็วิ่งหนี <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับโลกมันกลับตลบราดกันต่างเทศนี่สามพันนี่น้ำมาถูกมากสี่พันฟังเลคเชอร์ครั้งเดียวนี่ยอย่างน้อยก็พันบาทฟังทั้งเดียวคือชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมง <c oughs> ขิชาวตวันตกก็หายที่จะรู้ศาสตร์ของชาวตวันออกโดยเฉพาะศิลปศาสตร์การดำรงชีวิตซึ่งทางซีกโลกโน้อนอ่อนมากๆแต่ไม่ช้าไม่นานนะครับเมื่อเขาก็หายอยากรู้เขาจะเป็นเจ้าของนในที่สุดแล้ววันหนึ่งเราจะต้องไปเรียนจากฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วนะมีพระไปเรียนพุทธศาสนาที่ลอนดอนครับไปทำวิย า, าเอกภาษาไทยที่เดนมาร์ก ภาษาของเราแท้เนี่ยครัต้องไปเรียนของจากฝรั่งโลกมันเป็นอย่างเงี้ยยิ่งน้อยฝรั่งมาสอนเดี๋ยวนี้ฝรั่งสอนเยอะนะครับฝรั่งที่เขาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพราะมัได้บอกเขาไม่รู้นะคนเหมือนกันนะใครเอาจริงก็รู้สินะในอนาคตข้างหน้านี้ครับค่อยๆดูไปพวกคนไทยจะต้องไปไปสําเร็จพุทธศาสนาจากเมืองนอก แต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆนี้ครับไม่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องไปเรียนเรียนจากตัวเองนี่แหละมีคนหนึ่งผมเจออาจารย์สอนที่มาลัยสิงคโปร์ครับไปเรียนพุทธศาสนามาสองปีจากลอนดอนเจอผมผมถามสติตัวเดียวยังยังจับไม่ได้เลยไปเรียนษษ <laughs> เรื่องติดตัวแท้ๆไม่รู้ังนั้นไปเรียนพระกัมภีเขาเขาจครับก็รบเรียนก็นไม่รู้จักจบทีเดีย พวกเราต้องเรียนกันไปที่ตัวจริงมันเลยงนะ่ายแต่ว่าไม่ได้ปัญญานะม่นมีใครให้ปัญญาไม่มีใครให้ประการปฏิบัตรให้ตัวเองครัเพราะฟังรู้ความรู้สึกตัวนี้นรู้สึกตัวเองคล้ายๆได้รับอะไรบางสิ่งที่ ท, ที่น้าภาคภูมิเข้าใจครับคีอช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้โอ้ยดีกว่าปัญยามากเดี๋ยวนี้ปัญยามากเอาไว้ห่อถั่วได้ <c oughs> พวกด็อกเตอร์เดินเงินชนเงิน ปกปรกเปกในกงเทพยิ่งเรียนมากยิ่งไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่ามันเรียนเรื่องนอกตัวเท่านั้นเลยอย่างดีก็เรียนมันแย่งงานคนอื่นทําไม่ไม่ได้วิเศษพิโสไม่ได้มีประโยชน์จริงๆนะเพื่อนมนุษย์เรียนมากสงครามโลกสงครามย้อนเกิดจากพวกด็อกเตอร์เท่านั้นครับทศศีษย์ทศสาใยมีใยมาเนี่ยก็ทำสงครามโลกใครไม่เปนเน่ยอย่างดีทะเลาะกกุดลคานางคนละนิ ก็ด่ากันบ้างแต่พวกด็อกเตอร์นี่ร้ายร้ายกัดผมผมไม่ได้พูดให้เกรียดพวกนั้นนะครับเตือนว้าพวกที่พลักดันชาติใน่ทําสงครามในพวกด็อกเตอร์นั้นนะครับมันบ้าๆบอๆกันนครับแต่มันยิงถล่มกันพวกวางแผนพวกด็อกเตอร์ดังนั้นนะผมจะบอกให้หัวดีๆเท่านั้นนะครับตายเบื่อแล้วมันนั่งปรับทุกข์แม้เราไม่น่าฆ่ากันเลยนะ หลังจากฆ่ากันพัหนหมื่นมนุษย์เป็นอย่างนี้ครับคือมันมันเมาอะไรก็ไม่รู้ครับเคยดูเทพอิรักกอิหลานนะตายเป็นเบื่อแล้ววันหนึ่งก็มานั่งบอกแม้เราไม่น่ายิงกันเลยนะแต่ว่ายิงกันเสียแหลกลาวทุกเรื่องครับมนุษย์มันจะมัวเมาคนบุงคนเป็นโลกเคยเคยดูเขาทำพลาดทางทีวีไหมนอนโรงพยาบานบอกไอ คนทันภาพบอกท่านคะสูบบุหรี่มากไปไงหลังจากไอ้นี่สุดมันนอนรังบามบอกบุหรี่นี่ไม่ดีแล้ว <laughs> จะตายอยู่แล้วมันน่าจะบอกแม้บุหรี่นี่ดีทำให้ผมตายวัยวั <laughs> ทุกไลายพูดอย่างนี้นั้นเลยครับ <laughs> จะมีประโยชน์อะไรครับ <laughs> จริงอยู่นะเตือนเด็กทุนหลังได้แต่ว่าเจ้าตวนะัวเนสูบเอาสูบเอาสูบเอา <laughs> แล้วมาสัมาษ <laughs> ์ มาบุรีไม่ดีเลยครับพูดก็ไม่ค่อยจะมีแรงพูดนะทางที่ดีที่สุดนะึ่นก็คือเราเรียนรู้ที่เป็นคนธรรมดาสามัญมีชีวิตชีนง่ายเรียบเรียบซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินทองนั้นน้อยมากๆผมไม่เคยทำงานเลยรู้ไหมฮะเนี้ยเจ็ดปีเนี่ยตกงานตลอดชาติ ไม่เคยมีเงินแต่ไม่เคยขาดเงินครับแต่ผมไม่ได้แนะนำไม่ใช้ชีวิตอย่างผมอันตรายมากมาครับอันตรายมากมากแล้วทศธรรมมันอยู่ได้ไงผมตอบไม่ได้ก็อยู่มาอย่างงี้ครับก็กินข้าวครับถึงเวลาก็นอนกินเสร็จถึงเวลาก็ไปซ่วมมีหลายคนบอกว่าแม่อิจฉาชีวิตคุณจริงๆไม่ต้องทําการทางานผม นึกนะจะหมาแตเองลงเป็นค่าแล้วสนุกคือชีวิตของใครของมันกำหนดไม่ได้ครับแต่ผมก็อยู่ได้สบายพูดได้ว่ามีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรถึงเวลาตื่นเช้าก็ข้าวสารมีด้ว่ยครับเสื้อผาบางทีมีคนซื้อให้ผมไม่ได้บอกว่าชีวิตช่นนี้ดีแต่ว่า ยังไงก็ตามผมชอบมันเป็นสิทธิของทุกคนเนะยผว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะมีอาชีพอะไรก็ตามไม่สำคัญอะไรครับหรือเป็นขอทานหรือคนกวาดถนนถ้าคุณรักมันก็ใช้ได้จริงัหมถึงคนจะว่าไงแนตะ่ผมชอบมันเท่านี้จบและมีเรื่องจริงครั้งหนึ่งเกิดขึ้ น, นครับในประเทศอินดีเนี่ย อินเดียเป็นชาติที่มีขอทานมากที่สุดในโลกแต่ว่าฝรั่งนักวิชาการนักคิดตะวันตกเขาจะผิดอย่างสิ้นเชิงกับขอทานในอินเดียเขาคิดว่าขอทานคือคนที่ยากไร้แล้วก็ขอกินนะถ้าเราก็คิดตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ถ้าเราจัดสรรที่อยู่ที่พักให้อาหารแล้วเรากําจัดขอทานหมดรัฐบาลอินเดียหลงคาลมนักวิชาการตะวันตกนะครับ ก็สร้างที่เมืองจันดีก้าครับสร้างแฟลตให้แถวนิกชันเลอร์เลยออกแบบให้แล้วเกณฑ์ขอทานมาอยู่ปรากฏภายในสองเดือนขอทานหนีหมดเลยเพราะอะไรลุงครับทั้งๆมีอาหารมีเสื้อผ้าให้มีที่พักพราะขอทานในอินเดียมันรักที่จะได้ร่อนครับก็งเลยคือชอบที่เล่ร่อนขึ้นเหนือล่องใต้ขอเขากินไปด้วยสวดมนต์ภาวนาไปด้วยคล้ายๆนักบวช ขอทานในินเดียนักผก้จัการก็งงครับพูดว่างงไม่ถูกต้องเรียกว่าเงง <c oughs> เข้าใจไม่ได้เลยมันทำไมนะพวกนี้จึงไม่อยู่มีอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคทุกอย่างที่ททรักพึงบริการโอโกะขอทานนี้หมดเลยเหลือไม่กี่คนคือคนพิการที่เหลือเดินทางไม่ได้มนุษย์มันรักเสรีภาพมากมากเลยครับมั้นขอทานใินเดียนั้น เกิดจากความยากไร้หนึ่งเกิดจากจิตใจที่เป็นศาสนาหนึ่งเกิดจากเสรีภาพส่วนบุคคลหนึ่งนักวิชาการตันตกนางทีมีอะไรเสื่อๆอไม่ใช่น้อยคือก็ ค, อ ค, คิดตามแนวทางทวนตกจะเจอคนตะนอกนี่งงเหมือนกัน าหรือด้วยจิตใจเนี้ยก็จะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องวัดว่าเอะเราทำถูกหรือเปล่าถูกมากหรือถูกน้อยถ้าถูกน้อยคือผิดผิดมากนั่นเองดังนั้นจิตใจคนทั่วไปนี้ยังสงสัยละความสงสัยไม่ได้เป็นวิสัยสามัญของทุกคน สงสัยว่าเอตัวเราเนี่ยเคยมีอยู่ไหมแนอดีแล้วในอนแล้วเดี๋ยวนี้ตัวเราคืออะไรแล้วก็ในวันหน้าเราจะเป็นอย่างไรายหนอใช่ไหมครับเรามีความเครือบแคลงอยู่เรือเ่องเป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนใจเนี่ยความสงสัยทำบุญเสร็จแล้วก็ เราจะได้บุญไหมเนาะแม้ไปทำที่วัดทำสิ่งที่คนหนึ่งเขาทำแต่สงสัยเคลือบแคลงเาเอ้ได้บุญจริงๆรเปล่านะแล้วถ้าได้ได้มากหรืน้อยหรือว่าที่เราทำเนี่ยเขาว่าบุญก็บุญตามอะไรมันจะสงสัยครับเพราเราไปไปด่าใครก็สักคนหนึ่ง กรมสงสัยการกระทำตัวลแล้วเอ๊เราทำถูกไหมเป็นด่าของชีซึ่บางทีไม่ได้ทำเช่นมีเพื่อนเข้า ม, มาด่าเราสบประมาดาเราเราเรากลัวเขาเราก็เลยเฉยไม่กล้าตอบโต้พอกลับมาถึงบ้านนม่เจ็บใจตัวเองไหมถ้าซัดกันมันถัาหน่อยก็ดี ถ้าเราไม่ตอบโต้ ว, ว่างเนี่ยเราถูกไหมเนี่ยเครีบแคลงอย่อย่างนี้สงสัยสงสัยที่บุคคลอาศัยอะไรครับที่ถึงเป็ความมั่นใจว่ากายกรรมวิชีกรรมมนกรรมตัวคือการกระทำของตัวทัศนะของตัวถูกต้องอย่างนม่มทางที่ผิดพลาด บุคคออาศัยสิ่งที่เรียกสติสมบูรณ์ดีลองมาถามโจนดูครับหรือพวกนัดแงร่นแบงยังถามว่าในขณะที่สติแน่วแน่นั้นขายกุญแจแบงได้ดีใช่ไ้ยโจนก็บอกว่าใช่ครับผมแล้ถามตำรวจขอาขณะที่ จ, จิตใจตั้งมั่นนั้นก็จับผู้รายมันดีใช่ไหม ทำนักเลงกีฬาซีเกมดอูเวลายิงปืนเนี่ยถ้าจิตใจวอกวักแล้วก็มือจะสั่นถ้าก็ยิงผิดเป้าใช่ไหมบอกว่าใช่ครับทุกคนจะร้องวาเสียงเดียวทหมดสติสัมปชัญญะนี้ครับเป็นสิ่งที่ที่ไม่ผิดพลาดวินไวแต่เราเข้าใจผิดต่อคำหมายคาสติสัมปชัญญะาใจไหมครับเพราะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้ ตามสภาวะที่เป็นจริงมีสิ่งเดียวนในธรรมชาติของมนุษย์เราอาจจะยักยองเลียกว่าสภาพเที่ยนธรรมก็ได้สภาพสมดุลก็ได้เข้าใจันนะ้มครับสภาพที่สมองกับหัวใจสอดคล้องครองดองกันดีก็ได้ได้ทั้งสิ้นเข้าใจไับกนะารรู้เห็นตามที่เป็นจริงนั้นสับแตงพุชานาเรี ย, รยาถาภูตอย า, าน ที่ยานที่รู้เห็นตามยะถาคือตามที่มันเป็นยะถาเนะี่ยตามที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าไม่มีสติสมุทดีนีครับมันจะเห็นตามอยากก็ใจ้ไหมครับตามอยากจะให้เป็นนี่แหละงงไหมมันเป็นตัอย่างห้องปชุมนี้ใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่เราอยากจะให้มันใหญ่หรือเล็กถ้าอยากให้ใหญ่กว่านี้มันเล็กไปหน่อยนะจริงไหมครับฉะนั้ น, นปรากฏเป็นสิ่งตรงข้ามกับความ ต้องการของมนุษย์สมัยไปดัั้นมื่าเกิดความที่่ทำขึ้นในการในตัวเองนะครับสมบรรดีเด่นชัดสติดีต่อเนื่องขึ้นสิ่งทั้งปวงก็ปรากฏตามที่มันเป็นเท่านั้นเองไม่ไม่ปรากฏตามที่เราอยากดังนั้นเราจะไม่ขัดแย้งกับโลกที่เราอาศัยอยู่เลยเมื่อมีสติแต่พอขาดสตินี้เดียวนีน ไอ้อออจ้ตัวความอยากจะเห็นสิ่งต่างๆตามที่ที่อยากนะความที่ใครสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใครสิ่งนั้นเป็นอย่างโน้นใครตัวเองเป็นเพศหนึ่งในขณะที่เป็นอีกเพศหนึ่งใครที่เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นในขณะที่เป็นอยู่อย่างโน้นโลกกรยุ่งสับสนง่ายมากใช่ไหมครับที่ผมพูดเห็นได้ชัดแต่ว่าเวลาปฏิบัติยากมาก <c oughs> แต่ถ้าเข้าใจจริงๆเ ร, เราเอาจริงเรื่องยากเร่งา่ายไม่สําคัญอะไรเลยเหมือนกับไฟไหม้บ้านที่เรานอน อ, นอยู่นะครับไฟจะไหม้มากไหม้น้อยเรื่องเรื่องคือต้องลุยออกมาเท่านั้นเองจริงไหมครับมันจะลุยยากกับลุยง่ายไม่มีใครมันต้อคิดอีกแล้วจริงไหมหรือใครก็หนึ่งนอนอยู่นมาโอ้โหไฟมันลุกมากแล้วนอนต่อดดีกว่าอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึง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 คนที่ยืนอยู่ชี้ทางให้คนหลงเปิดเปิดสิ่งที่ปิด่านธะรรมชาติเป็นอยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้เห็นธรรมชาติครับแปลกนะไอ้สิ่งที่เราเห็นนสนเราไปเห็นสิ่งที่ความคิดของเราคือมันเป็นมายาเพราะธรรมชาติมันไ ม, ม, นม่มีตัวไม่มีตนครับจนเราไปเห็น ต้นไม้ระบบนี้คือธรรมชาติไม่ได้อนั้นรูปรูปทรงของต้นไม้และมันเป็นเพียงภาพที่ตาที่ปรากฏบนเรตินาเท่านั้นเองจอของของเบ้าตาใช่ไหมครับแล้วรายงานไปที่สมองและการรายงานของกระสาตานี้นะครับที่เเรียวกว่าออปติกเนิร์ฟเนี่ยเป็นการรายงานแบบพลุนครับแบบรูปปรุ่เข้าใจศัพท์ที่ผมใช้ไว้ มันรายงานเป็นคลื่นมันไม่ได้เห็นทั้งดุ่นเลยคือเพราะภาพตกกระทบที่จอตาปราศาารัยที่หน้าก็เคลื่อนไหวแล้วรายงานแบบเทเลกราฟนะครับคือพลุนพลนอ่งั้นเหมือนเราเห็ น, นไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่สมบูรณ์แต่แล้วมีสิ่งหนึ่งสามารถวารวบรวมรูพรุนเหล่นั้นให้เห็นที่สมบูรณ์ขึ้น เาหมครับเหมือนโค้ดโทรศัพท์แล้วมีคนหนึ่งก็แปลความออกมาเป็นข้อความอีกทีหนึ่งแต่ต้องส่งไปให้ส่งเป็นโค้ดอาจจะเคาะตัดตดตัดตัดตัดไปีกคนหนึ่งก็แปลแล้วสิ่งที่เราเห็นนั้นครับเป็นเพียงภาพครับเป็นการแปลความทางสมอง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 จะเราเห็นฝนตกน้ำแข็ ง, งลอยกลายเป็นน้ำเราพูดได้เราเห็นอนิจจ์เห็นอนิจจ์รักษะคือเห็นสิ่ ง, งนั้นเปลี่ยนไปตั้ต่ตอนเดเห็นเด็กัวขึ้นจากเด็กที่มีฟันนม่นมเป็นเด็กที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากผู้ใหญ่ก็เกิดกงแล้วก็ อยู่มาอีกสองวันหายไปจากโลกนี้าาก็จ่ายยูดี้หายวับไปคนนี่ตายมาแนละ้วเนี่ยไม่รู้กี่หมนานครับลงไปอ่านรวดศสาสตร์ดูองค์เงินจักรพรรดิฮ่องเต้ก็ไมา่พ้นเป็นฟารโรทามัมมี่ตีหน้ากาคุ้มทองว่าอยู่ไม่ได้ พยายานแล้วเล่าๆของมนุษย์ที่ยับยั้งการเกิดแก่กต่อเ น, นื่อ่ได้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติขึ้นเมาครับแล้วจะยับยั้งการเกิดก็ไม่ได้ครับงอ ม, มา เ, เ, มา เ, เ, เ, เ, มเรื่ อ, อยๆมาเรื่อยๆไปเรื่ยมือนกับคลื่นในน้ำตราบใดที่ยงมีลมพัดคลื่นเกิดด้เรื่อยเกิดแล้วก็จบไปเกิดแล้วก็จบไปดังกฎธรรมชาตินี้เห็นไม่ได้ด้วยตอนนี้น ตอนี่เห็นนิดนิดหน่อยนครับฉนั้นนั่นเองคนอายุมากข้าก็ค่อยค่อยเฉยเฉยเหมือนกันตอนนัสมัยหนุ่มสาวออกจะรเรียเที่ยวเตร่สังกเที่แก่เข้ากชเฉยเอยนิัเดบนแก่นุ้นกาสิบยังไปดิสโกเทกเราคงขัวรออนใ่ญ่คงเงี้ยพิลึกกือแล้วะนั่งข้างเฉยแต่ว่ามันไม่จบสิ้นครับเพราะว่า อันนั้นผลเ พ, พียงแผ่วเบาจากการสังเกตธรรมชาติหรือศัสนานั้นคำวิธีในการเจริญนิพพานานเราต้องการนำตัวเองนำสิปัญญาเข้าไปให้ลึกซึ้งขึ้นให้ถึงแก่นเลยจนปรากฏการมองชาติลวงหลอกเราไม่ได้ถ้าเราจะเห็นแค่ความเปลี่ยนแปลงนะครับมัน จ, จังทุกขขันัาตา เราไม่รู้จกักกนยังไม่พ้นการเกิดแก่สุดท้ายแต่เราต้องเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยเราจะพบได้ว่านหมนต่อว่าพระพุทธรูปสุโค์หนึ่งพระพุทธรูปทองคำแบบสุโ ข, ขทยัยเราก็เอาทองมาหลอมเพื่อจะเทในโบสพระพุทธรูปแบบอายุทยา เราล้องทองก็ได้ทองจากทองแข็งเป็นน้ำทองเทงในเบ้าทองไม่เคยเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าครับตัวทองนั้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าแบบพระเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไเรื่อยๆตัชาติที่กุดตัวชาติทีเป็นอย่างนั้นนะครับตัชาติฉันที่เป็นปอดกุดการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ฉันที่เป็นเนือหางจริงไม่ได้เปลี่ยนเข้าจไครับ เกิดแก่จะตายนั้นเปอย่างนี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไหนใ น, น, น, นก้อห็นไหนในดินในทรายในญ้าในทุกๆสิ่งในอุจจระปัสวะในทุกสิ่งนี่ยในั้นจึงเรียกว่าธรรมะคือสิ่งกึ่งปวงชั้นที่เห็นได้ปรากฏได้นั้นน้นผิวของมันชั้นที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเนี่ยฟังไม่ได้ยินในหูดมก็ได้กลิ่นตัวนี้ต้องใช้ตาปัญญาครับตาปัญญานั้นต้องเปิ มันหลบอยู่ครับชีวิตคนใีตาตัวนึงไม่ม่ใช่ตาเนยอย่างเดียวมันมีจะเรียว่าตาใจก็ได้ครับเราจะรีนปันาเพื่อตามเปิดเพื่อจะได้เห็นสัจธรรมในส่วนแก่นสิ่งใดยงมีลักษณะสิ่งนั้นทีเปราะพรวนช่ดเเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งมีสีเขียวสักเลี้ยงกระจางคาจริงนะถงน สิบปีออมสบปีไม่จางล้านปีเดยเปลี่ยนสินน่งใดมีลักษณะอยู่ยังมีขนาดอยู่สินน่งนั้นเรปลเปลี่ยนแ ป, ปล่เปลนได้ดังนั้นเมืเเ่อไปเพงเล็งกนหนึ่งใดเข้าเราก็จะพบจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นทุกข์แม้แต่การภาวนานถพาเรานั่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจุดกอ่อเกิดปิติสุขชั่วคราวแต่เนื่องจากมันมีลักษณะเป็น คือลักษณะของมันเป็นปิติและดังนั้นมันจึิงจางจริจงจริงเตุจนกวสิ่งที่ไลยรูปไายลักษณะไายขนาดไลยการเวลาปรากฏเด่นชัดที่ใจเรานะดังนั้นเราก็เห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระนิพพานนะครับเพราะว่าไายลักษณะไล่ลักษณะก็ยังยืนเป็นธรมตาเข้จักดสัจธรรม เรามดูเงื่อนในกฎของกราวทักฎของแรงดึงดูดของโลกกรีวิตเชันเราเรียนทุกคนกคนเคยเรียนใช่ ค, นในใครับเคยเรียนใครไม่เคยเรียนบ้ทุกนทนรู้ว่าเราโยนอิดขึ้นข้างบนเนี่ยโลกจะดูดลงไปทันทีเพราะว่าโลกดึงดูดนั่นคืตัวเรานี่ที่เราเรียกว่า้ำหนักที่จริงคือแรงที่โลกกระทํากับเราใช่ไหมครับ ใช่ไหมแต่ว่าใครเคเห็นตัวกฎอันนี้บ้างครับอ๋อจับมันไม่มีครับจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ส<ฮ>ิ่งนี้เราเพียงสังเกตรูปการภายนอกเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่หาวัตถุที่ตกลงมาสู่พื้นดินเราโยนขึ้นเล้ยวมันตกลงมาอีกเราก็เลยสันนิษฐานว่าจะต้องมีแรงดึงชนิดหนึ่ง แต่เราก็ไม่เคยมองเห็นตัวมันมันไม่มีรูปร่างครับกดจึงการดึงดูดหรือกดจากการเบีงตัวยัมไม่มีตัวตวนมันไม่มีรูปร่างแต่เราจะบอกไม่มีไม่ได้จริงครับลุกขึ้นบนได้กติเหยียบพลาดนั่นเดียวหรกดจากการดึงดูดก็จะแสดงออกให้ดูคือหัวนอกกับพื้นแล้วเราอยู่นานๆก็ขาสันครับ แล้วมันเด้งขึ้นอนเริ่มลงแล้วก็นอนอันี้บทของเราเนะี่ยสัมพันธ์มากกับโลกและบรรยากาศนั้นตามบิดกฎของธรรมชาติจะมองไม่มเห็นตัวครับ<ม>เกิดแก่เจ็บตายไนมะ่เป็นเพียงผิวด้วยเหมือนเดิเราเห็นคนหนังเหี่ยวนันธรรมชาติกําลังดําเนินไปแต่ว่าไอ้ตัวสัจจะเนี่มองไม่มเห็นตัวแต่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ ดังนั้นคนที่จเ ร, รียนสตินะคัมีสมรดีเด่นชดก็จะเริ่มประพินประพา ย, ยต่อสัจธรรมซึ่งมองไม่เห็นตัวในขณะที่คนวิ่วุ่นวายกับโลกสนุกสนานจะเห็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึง่งเชน่นมารถแก่งคันนี้มันสักจะเก่าใช่ล่ะมันเป็นอนิจจม่จว่าต้องหาข้างไหน ยิ่งถ้เห็นอนจังชนิดที่ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยผัว พ, พันกับความเปลี่ยนแปลงไม่รู้จะจบสิน้นถึงจะจะหลุดออกมาเห็นว่าโอ้ยกี่ครั้งกี่ครั้งมันกเก่าเท่า น, นั้นจริงครับดังนั้นคนที่จะหลุดออกจากไอ้ผิวเปลือกของธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนี่คคือผู้ที่จะสิ้นลักษณะอนุจังทุกขังงนัตตาเนมายต้องมาดูที่ตัวเองครับ ตั้งสติตั้งสมรรถดีหาดุลยภาพในตัวให้สมองจิตใจประสานกลมกลียวกันนะครับเมื่อจิตกับวัตถุยังเข้าหากันและกันเหมือนดาบสอดกลับเข้าในฝักเข้าใจไหครับรวันนี้เราจะเรียนีิ่นี้เมื่อจิตกับวัดกายกับจิตประสานกันดีมันมันจะถึงซึ่งสภาพไรลักษณะ ที่เราเรียกว่าสิ่งไม่ตานะครผมผมไม่คิดว่าคาว่าจิตว่างเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะวาชวนเข้าใจผิดเหมือนที่เกิดปัญหาเมื่อท่ า, ท า, านอาจารย์เซโมกใช้คำว่าจิตว่างมีคนเข้าจผิดเยอะทีเดียวเช่นลุงก ร, ระเป๋าคนอื่นไม่จิตว่างหรือเราชอบยิ้มูดนั้นแล้ว มี่จิตอยู่ว่างๆที่จริงเราทะเลาะกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังพูดเรื่องจิตว่างอยู่ที่จริงมันเสี่ยงครับต่อคํานี้ผมคิดว่เมื่อกาย ก, กับจิตประสานกันได้ดาพแล้วมันเกิดถึงศีลพเจ้าเรี้ยวศูนย์นิจตาครับก็สภาพานซึ่งไรปัญหาสิ่งเรื่องสิ้นราวศุนตาคำว่าสูงนี่นครับ ว่ า, วากายและจิตได้สอบสูนย์มาจากรูปนี้แต่ก็มีกฎธรรมชาติเพราะกฎธรรมชาติมันเป็นศูนย์อยู่แล้วแต่เราไม่ไดมองไม่เห็นตัวนะครับเข้าใจไหครับทุกสิ่งที่เหมืนเวียนมันเมืนเวียนเพื่อข้าหาดุล น, นั้นครับดุลในดุล น, นั้นเป็นศูนย์คำภาษาไทยจีเนียคือว่าศูนย์กลางคือถ้ากลางน้าจะศูนย์หรือว่าใจกลาง แล้วพอถ้าเข้าถึงกลางนั่ น, นคือใจ